สิบสามซัมมาปริพาชนิยสูตรว่าด้วยภิกษุควรละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระมุนีผู้มีปัญญามากทรงข้ามโอคาได้แล้วปรินิพานมีพระทัยมั่นคงภิกษุนั้นบรรเทากรามทั้งหลายออกจากเรือนมาบวชแล้วพึงละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบได้อย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุผู้ตัดขาดการเชื่อสิ่งที่เห็นเป็นต้นว่าเป็นมงคลการยึดถืออุกาบาตตกความฝันและการทำนายลักษณะและสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียต่อมงคลได้เด็ดขาดชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุพึงกาจัดความกาหนัดในกาลทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นทิพย์ ภิกษุนั้นตรัสรู้ทำแล้วก้าวพ้นพบได้แล้วชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุกาจัดความส่อเสียดแล้วพึงละความโกรธความตรนีภิกษุนั้นละความยินดีและความยินร้ายได้แล้วชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุละสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักแล้วไม่ถือมั่น คู่ไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศัยในภพไหนไ ห, นหลุดพ้นแล้วจากทรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุกาจัดฉันทะราคะในสิ่งที่พึงยึดถือทั้งหลายไม่เห็นความเป็นสาระในอุปธิทั้งหลายภิกษุนั้นผู้ไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศัยใครๆพึงชักนาไปไม่ได้ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบ ภิกษุผู้ไม่ผิดพลาดทางกายวาจาและใจรู้แจ้งซึ่งธรรมโดยชอบปรารถนาบทคืนนิพพานอยู่ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุรู้จักเคารพนบไหว้ไม่ถือตัวถึงถูกด่า ว, ว่าก็ไม่โกรธได้พัตหารที่ผู้อื่นถวายประจำแล้วก็ไม่ประมาทมัวเมาชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบ ภิกษุละความโลภและการมาพบเป็นต้นได้แล้วเว้นขาจากการฆ่าฟันและการจองจำผู้อื่นตัดความสงสัยได้แล้วปราศจากกิเลสดุดลูกสอนชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุผู้รู้ข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ตนรู้แจ้งสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่เบียดเบียนสัตว์โลกทุกชนิดชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบ ภิกษุไม่มีอนุยัยกิเลตใดๆถอนรากอากุศลธรรมได้หมดสิน้นไม่มีความหวังปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิงชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วละมานะได้เด็ดขาดล่วงพ้นทางแห่งราคะทั้งหมดฝึกตนได้ดับกิเลสลงได้อย่างสิ้นเชิงดำรงตนมั่นคงชื่อว่า ละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุมีศรัทธามั่นคงเป็นผู้ได้สดับอย่างดีเห็นทางปฏิบัติอันถูกต้องเป็นนักปราดผู้ไม่คล้อยตามไปในฝักฝ่ายมิจชาทิฐิขจัดโลภะโทสะคือความขุนเคืองใจได้ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุเอาชนะกิเลสได้ด้วยอรหัตธรรมคที่หมดจดดีไม่มีกิเลสเครื่องปิดบงัง เชี่ยวชาญในธรรมทั้งหลายเป็นผู้ถึงฝั่งหมดตันหาอันทาให้หวันไหวมีความฉลาดในยานเป็นที่ดับสังขารชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุล่วงพ้นความกำหนดที่ถือว่าเป็นของเราในเบญจขันธ์ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตมีปัญญาบริสุทธิ์เป็นผู้หลุดพ้นจากอายตนะทั้งปวงได้เด็ดขาดชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบ ภิกษุรู้แจ้งสภาวะที่ควรเข้าถึงจนได้บรรลุธรรมเห็นการละอาสวะทั้งหลายเป็นวิวัตะไม่ติดข้องอยู่ในภพไหนๆเพราะอุปธิทั้งปวงหมดสิ้นไปแล้วชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบพระพุทธเนรมิตรทูลสรุปดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคที่พระองค์ตรัสมาทั้งหมดนั้นถูกต้องทีเดียว ภิกษุใดมีความประพฤติเช่นนี้อยู่ประจำฝึกฝนตนแล้วเป็นผู้ข้ามสังโยชน์และโยคะทั้งปวงได้ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบซัมมาปริพาชนียสูตรที่13จบ ท่านมิกสะสูตรว่าด้วยพระพุทธพจน์ตรัสโปรท่านมิกะอุบาสกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวถีครั้งนั้นท่ามิกะอุบาสก พ, พร้อมด้วยอุบาสก500รคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเ้ืยอคาถาว่าข้าแต่พระโคโดมผู้มีพระปัญญาอันไพบูณ์ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าบรรดาสาวกที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับสาวกที่เป็นอุบาสกอยู่ครองเรือนนั้นสาวกที่ปฏิบัติตนอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีพระองค์เท่านั้นทรงทราบชัดคติ และความข้ามพ้นไปจากคติของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีใครที่เล็งเห็นประโยชน์ด้สุขุมลุ่มลึกเท่ากับพระองค์บัณฑิตทั้งหลายพากันขนานนามพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งเ ย, ยียธรรมทรงอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ได้ทรงประกาศพระยานและธรรมทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขู่ พระองค์ไม่มีกิเลสดูดเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วทรงปราศจากมลทินรุ่งเรืองอยู่ในโลกทั้งปวงพญาช้างเอราวันทราบว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทรงชนะบาปธรรมได้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับพญาช้างแม้นนั้นได้ปรึกษาทูลถามปัญหากับพระองค์ฟังคําพยากรแล้วได้บรรลุธรรมมีความยินดีเปล่งสาธุ ก, การแล้วจากไป ถึงแม้เท้าเวสวร์ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเท้ากุเวนก็ยังเสด็จเข้ามาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาธรรมพระองค์แม้ถูกเท้าเวสวร์นั้นทูลถามก็ยังตรัสตอบจนเท้าเธอสดับแล้วมีความชื่นชมยินดีจากไปชนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกดิรถีอาชีวกหรือนิครนผู้ชอบกล่าวยกตนข่มผู้อื่นทั้งหมด ย่อมไม่เกินเหนื้อพระองค์ด้วยปัญญาเหมือนคนที่หยุดอยู่ไม่ทันคนที่เดินเร็วและไม่หยุดฉะนั้นพวกพราหมณ์ผู้เท่าที่มีปกติกล่าววาทะเราใดเหล่าหนึ่งก็ดีและพราหมณ์เหล่าอื่นที่สําคัญอยู่ว่าเราทั้งหลายผู้มีปกติทำวาทะก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่ได้รับประโยชน์จากพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ธรรมนี้ที่พระองค์ทรงแสดงอย่างดีละเอียดและก่อให้เกิดสุขอย่างแท้จริงข้าพระองค์ทั้งหมดตั้งใจฟังธรรมนั้นข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดขอพระองค์โปรดตรัพยากรปัญหาที่พวกข้าพระองค์ทูลถามแล้วด้วยเถิดภิกษุพร้อมทั้งอุบาสกนี้ทั้งหมดผู้นั่งประชุมกันณที่นี้เพื่อต้องการจะฟังจะตั้งใจฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงปราศจากมนทินตรัสรู้แล้วเหมือนถวยเทพต่างตั้งใจฟังสุภาษิตของเท้าวาสวะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราเราจะให้เธอได้สดับธรรมคือข้อปฏิบัติกําจัดกิเลสและขอพวกเธอทั้งหมดจงประพฤติ ธ, ธรรมนั้นภิกษุผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นประโยชน์ ควรปฏิบัติตนอยู่ทุกอิริยาบทที่สมควรแก่บรรพชิตภิกษุไม่ควรออกไปเที่ยวในเวลาวิการแต่ควรเที่ยวบินทบานในหมู่บ้านตามเวลาเพราะว่าภิกษุผู้ออกเที่ยวในเวลาวิการกิเลสเครื่องข้องจะครอบงำเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รู้ทั้งหลายจึงไม่ออกเที่ยวในเวลาวิการภิกษุควรกําจัดความพอใจในการมาคุณห้าเหล่านี้คือรูป เสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ทำให้เหล่าสัตว์หลงมัวเมาเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าตามการอันหนึ่งภิกษุได้อาหารบินธบาทมาฉันภายในเวลาแล้วควรกลับไปนั่งในที่สงัดตามลำพังควบคุมอัตภาพคือจิตได้อย่างมั่นคงแล้วกำหนดจิตพิจารณาอารมณ์ภายในไม่ปล่อยจิตไปในอารมณ์ภายนอก ถ้าแม้ภิกษุนั้นจำเป็นจะต้องสนทนากับสาวุกอื่นๆหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ควรสนทนามิาท่ปราณีนั้นไม่ควรกล่าวคำสอนส่อเสียดกระทบว่าร้ายผู้อื่นมีคนพวกหนึ่งชอบกล่าววาทะโต้เถียงกันเราไม่สรรเสริญคนพวกนั้นผู้มีปัญญาน้อยเพราะกิเลสเครื่องข้องที่เกิดจากการกล่าววาจาโตเถียงกันนั้นจะครอบงำคนพวกนั้น เพราะพวกเขาเมื่อโต้เถียงกันย่อมทำจิตให้ไกลาจากการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสาวกผู้มีปัญญาดีฟังธรรมที่พระสุคตพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพิจารณาอาหารบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยที่นอนที่นั่งน้ำใช้น้ำฉันและการซักผ้าสังฆาติที่สุขปรกให้สะอาดแล้วจึงใช้สอยปัจัยเพราะฉะนั้นภิกษุ จึงไม่ควรเป็นผู้ยึดติดในสิ่งเหล่านี้คืออาหารบินทบาทที่นอนที่นั่งน้ําใช้น้ําฉันและการซักผ้าสังฆาติที่สกปรกให้สะอาดนี้เหมือนหยาดน้ําไม่ติดบนใบบัวฉะนั้นต่อไปนี้เราจะบอกข้อปฏิบัติของครหัตและพวกเธอคือสาวกที่เป็นครหัตประพฤติอย่างไรจึงยังประโยชน์ให้สําเร็จได้จริงอยู่ สาวกที่ยังมีความหวงแหนในไรนาเป็นต้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมของพิสุล้นล้วนได้สาวกที่เป็นครหัดยกโทษในสัตว์ทุกจําพวกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังวาสะดุ้งและที่มั่นคงในโลกแล้วไม่พึงฆ่าเองไม่พึ ง, งใช้ผู้อื่นฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ใครๆคฆ่าจากนั้นสาวกที่เป็นครหัดรู้อยู่ ควรงดเว้นการถือเอาสิ่งของต่างๆในทุกคนทุกแห่งที่เจ้าของไม่ได้ให้คือไม่พึงลักเองไม่พึงใช้ผู้อื่นลักและไม่พึงอนุญาตให้ใครๆลักพึงงดเว้นการถือเอาสิ่งของทั้งปวงที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยเด็ดขาดสาวกที่เป็นคอร์หัดผู้เข้าใจชัดแจ้งควรงดเว้นพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรันทร์เหมือนคนเดินหลีกหลุมฐานเพลิงที่มีไฟลุกโชนฉะนั้น แต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็ไม่ควรล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นสาวกผู้อยู่ในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะชนและอยู่กับคนคนเดียวไม่ควรพูดเท็จไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จและไม่ควรอนุญาตให้ใครๆพูดเท็จควรงดเว้นคำพูดที่ไม่เป็นจริงทั้งหมดสาวกผู้เป็นครหัสไม่ควรประพฤติการดื่มน้ำเมา ควรยินดีชอบใจทำคือการงดเว้นการดื่มน้ำเมานี้ไม่ควรชักชวนผู้อื่นให้ดืม่มและไม่ควรอนุญาตให้ใครๆดืม่มเพราะรู้ชัดถึงโทษของการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความเป็นบ้าในที่สุดเพราะความเมานั่นเองคนพานทั้งหลายจึงทำบาปต่างๆได้ทั้งยังชักชวนคนอื่นๆผู้ประมาทให้ทำอีกด้วยสาวกที่เป็นครหัดจึงควรงดเว้นการดื่มน้ำเมา ที่ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งความดีมีแต่ทำให้เป็นบ้าหลงลืมที่พวกคนปัญญาซามชอบดื่มกันนี้สาวกที่เป็นครหัตไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาควรงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่ควรบริโภคอาหารในเวลาวิกาลในเวลากลางคืนไม่ควรทัดทรงดอกไม้ไม่ควรรูปไล่กายด้วยของหอม ควรนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ที่ปูลาดไว้บัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดนี้แลพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกทรงประกาศไว้และต่อไปสาวุกที่เป็นครหัดผู้มีใจเลื่อมใสควรเข้าจำอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดให้บริบูรณ์ดีทุกวัน8คดขา14ขิ่ําหรือ15้าขาแห่งปักและตลอดปฏิหาริกกับปัก อันดับต่อไปสาวกที่เป็นครหัสผู้เข้าจำอุโบสถแต่เช้ามีจิตเลื่อมใสเบิกบานใจอยู่เนืองเนืองมีปัญญาเข้าใจแจ้งชัดควรแจกจ่ายถวายข้าวน้ำแด่ภิกษุสงฆ์ตามสมควรสาวกที่เป็นครหัสนั้นควรบำรุงเลี้ยงมารดาปิดาโดยชอบธรรมควรประกอบการค้าขายที่ชอบธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งครหัตนี้อยู่ ย่อมไปเกิดในหมู่เทพที่ชื่อว่าสยามปภาธรรมิกะสูตรที่ส4บสจบจูลวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีนิวรัก์นี้คือหนึ่งรัตนสูตรสองอามะคันทสูตรสหิริสูตรสมงคละสูตรหสูจิโลมสูตรห ธรรมจริยสูตร 7. พรามณธรรมิกะสูตร 8. นาวาสูตร 9. กิงศีลสูตร 10. อุทานสูตร 11. ราหุละสูตร 12. วังคีสะสูตร 13. สัมมาปริภาชนียสูตร 14. ธรรมิกะสูตร มหาวัคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่หนึ่งปัชชาสูตรว่าด้วยการสัรเสริญการบรรพชาท่านพระอนนทเทระกล่าวสันเสริญการบรรพชาณนะพระเชตวันดังนี้เขาพระเจ้าจากสัรเสริญการบรรพชาอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงบรรพชา และอย่างที่พระองค์ทรงพิจารณารอบครอบจึงพอพระไทยการบรรพชาพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าการอยู่ครองเรือนนี้คับแคบเป็นบ่อกเกิดทุลีคือกิเลสและทรงเห็นว่าการบรรพชาปลอโปรง่งจึงเสด็จออกบรรพชาพระพุทธองค์ครั้นบนรรพชาแล้วทรงเว้นบาปกรรมทางกายและละวจีทุจริตได้ทรงชำระอาชีวะให้หมดจด พระพุทธองค์ผู้มีพระลักษณะอันประเสริฐทั่วพระวรกายเสด็จไปถึงกรุงราชครืขิริพัชนาครแคว้นมคตได้เสด็จเที่ยวไปเพื่อทรงบินธบาตพระเจ้าพิมพิสารพระทัยยืนอยู่บนประสาทได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้นได้ทรงเห็นพระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะจึงได้ตรัสดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย พวกท่านจงพิจารณาโดยภิกษุรูปนี้เถิดภิกษุรูปนี้มีรูปร่างงามสมส่วนสะอาดเยื่องย่างโดยสํารวมและทอดสายตาเพียงชั่วแอกมีจักสุทอดลงมีสติภิกษุรูปนี้หาเหมือนกับผู้ออกบวชจากตะกูลต่ำไม่ราชทูตทั้งหลายจงรีบไปสืบดูให้รู้ว่าภิกษุรูปนี้จะจ้ารีกไปไหน ราชทูตที่พระเจ้าพิมพิสารส่งส่งไปนั้นได้เดินตามหลังไปเพื่อเสบดูว่าภิกษุรูปนั้นจะเจ้าริกไปไหนและพักอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์เสด็จไปตามลำดับบ้านทรงคุ้มครองอินทรีย์ทรงสํารวมดีแล้วมีสติสัมปชัญญะมั่นคงทรงรับบินทบาทแต่พอประมาณพระมุนีเสด็จเที่ยวบินทบาทแล้วเสด็จออกจากพระนคร สเสด็จขึ้นไปยังปันทวะปันพศด้วยทรงดําริว่าจะประทับอยู่ณที่นั้นราชทูตทั้งสามเห็นพระพุทธองค์สเสด็จเข้าไปสู่ที่พักจึงพากันเข้าไปเฝ้าส่วนราชทูตคนหนึ่งกลับมากราบทูลพระเจ้าปิมพิสารว่าขอเดชะมหาราชเจ้าภิกษุรูปนั้นพักอยู่ที่ถ้าด้านหน้าภูเขาปันทวะเหมือนเสือโครง่งโคอุสภ ร, ราช และราชสีที่ซอกเขาฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับคำของราชทูตแล้วทรงรีบเสด็จไปยังภูเขาปันทวะโดยพระราชพานะชั้นเยี่ยมเท้าเธอได้เสด็จไปจนสุดทางที่พระราชพานะจะสามารถไปได้จึงเสด็จลงจากพระราชพานะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปด้วยพระบาทเข้าไปถึงปันทวะบรรพชนั้นแล้วประทับนั่งเท้าเธอ ครั้นประทับนั่งแล้วได้ทรงสนทนาปราศัยเป็นธรรมเนียมระลึกถึงกันครั้นผ่านการสนทนาปราศัยแล้วได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าพระคุณเจ้ายัางหนุ่มแน่นเพื่งผ่านปฐ ม, มวัยเมื่อไม่นานนี้ถึงพร้อมด้วยความผุดผ่องแห่งวันนะเหมือนกษัตริย์สุขุมาลชาตเขาพเจ้าจะมอบโภคสมบัติให้ขอท่านจงเป็นจอมทัพยังหมู่พลากายให้งดงามบริโภคสมบัติอยู่เถิด พระคุณเจ้าจงบอกชาติกำเนิดด้วยเถิดพระพุทธองค์ตรัสดังนี้มหาบาพิตรมีชนบทแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในแคว้นโกศลตรงด้านข้างหีมวันตะประเทศเป็นเมืองที่มั่งคัง่งประชาชนขยันขันแข็งอัตมาภาพมีนามตามโครว่าอาทิตย์มีนามตามชาติกำเนิดว่าสักยะไม่ปรารถนาการมสุขจึงออกจากตระกูลนั้นมาบวชเป็นบรรพชิต อาตมาภาพเห็นโทษในกรรมทั้งหลายเห็นการออกบทว่าเป็นทางเกษมจะจาริกไปเพื่อบำเพ็ญเพียรใจของอาตมาภาพยินดีในการบำเพ็ญเพียร น, นั้นปรัชชาสูตรที่หนึ่งจบ ประธานสูตรว่าด้วยความเพียรอย่างเด็ดเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เราตั้งจิตบำเพ็ญเพียรขคคมักขเมนเพ่งพินิจอยู่เพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารานั้นมานได้เข้ามาหาพร้อมกับกล่าวถ้อยคำแสดงความเอ็นดูว่าท่านมีร่างกายผายผอมมีผิวพันุ์สูบซีด ใกล้จะตายอยู่แล้วท่านมีโอกาสตายถึงพันส่วนโอกาสรอดชีวิตมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นท่านเอย๋ยการที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นดีแล้วเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ท่านก็จะบำเพ็ญบุญทั้งหลายได้ท่านประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟอยู่ก็ชื่อว่าจังสมบุญไว้มากท่านจะบำเพ็ญเพียนไปทําไมทางเพื่อความเพียนดําเนินไปถึงยากทําได้ยาก ยากยิ่งนักที่จะก่อผลสำเร็จมานได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้อยู่ใกล้ๆเราผู้จะเป็นพุทธะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบมานผู้กล่าวอย่างนั้นว่ามานผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธ์ของคนประมาทท่านมาที่นี้มีความประสงค์ใดเราไม่มีความต้องการบุญแม้แต่น้อยความจริงท่านผู้เป็นมานควรไปบอกแก่คนผู้ต้องการบุญ เพราะเหตุใดท่านจึงเฝ้าเพียนถามเราผู้มีทั้งศรัทธาตะบะวิริยะและปัญญาผู้มีจิตมุ่งมั่นมีความเป็นอยู่อย่างนี้กระแสแม่น้ำทุกสายลมนี้สามารถพัดให้เขือแห้งได้แต่ว่าเลือดของเราผู้มีจิตมุ่งมั่นไม่เหือแห้งไปแม้สักหยดเลยเมื่อเลือดกำลังเหือดแห้งไปดีเสเลกก็กำลังเหือดแห้งไปด้วย และเมื่อเนื้อกําลังจะหมดสิ้นไปแต่จิตของเราก็ยิ่งผ่องใสสติและปัญญาก็ผ่องใสสมาธิของเราก็ยิ่งตั้งมั่นขึ้นไปอีกเรานั้นถึงจะได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าอยู่อย่างนี้จิตก็หาได้หวนคเนืงถึงกรามทั้งหลายไม่ท่านจงคอยดูภาวะที่เราเป็นสัตว์บริสุทธิ์กิเลสะการามทั้งหลายเราเรียกว่าเสนากองที่หนึ่งของท่าน ความไม่ยินดีเราเรียกว่าเสนากองที่สองของท่านความหิวกระหายเราเรียกว่าเสนากองที่สามของท่านตันหาความทยานอยากเราเรียกว่าเสนากองที่สี่ของท่านทีนมิทะความหดหู่และเสื่อซึมเราเรียกว่าเสนากองที่ห้าของท่านความกลัวเราเรียกว่าเสนากองที่หกของท่าน วิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยเราเรียกว่าเสนากองที่เจ็ดของท่านมัคขะความลบหลู่คุณท่านและธรรมภะความหัวดือ้อเราเรียกว่าเสนากองที่8ดของท่านลาบความสรรเสริญสักการะและยศที่ได้มาที่ผิดผิดเราเรียกว่าเสนากองที่9ของท่านการยกตนและข่มผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่สิบของท่าน มานเอย๋ยเสนาของท่านผู้มีธรรมดำนี้มีปกติประหารสมณพราหมณ์คนขาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้แต่คนกล้าเอาชนะเสนามานได้แล้วย่อมได้รับสุขแม้เรานี้ก็รักษาหญ้ามุงกระต่ายไว้หน้าติเตียนถ้าชีวิตของเราจะพ่ายแพ้เราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะประเสริฐอะไร สมณพราหมณ์บางพวกตกอยู่ในอำนาจเสจนาของท่านแล้วย่อมไม่ปรากฏเยติคุณและย่อมไม่รู้ทางที่เราท่านผู้มีวัดดีดำเนินไปอยู่เราได้เห็นมารขี่ช้างเป็นพานะนำเสนาออกมาโดยรอบทิศจึงเตรียมเผชิญหน้าเพื่อจะต่อสู้โดยมั่นใจว่ามารอยวังที่จะให้เราลุกจากที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่สามารถเอาชนะเสนาของท่านนั้นได้ แต่เราจะใช้ปัญญาเป็นอาวุธทำลายเสยนาท่านนั้นให้พินาศเหมือนคนใช้ก้อนหินทุกภาชนะดินทั้งที่ยังไม่ได้เผาและที่เผาแล้วให้แตกไปฉะนั้นเราจักเจริญสัมมาสังกัปปะให้เชี่ยวชาญและตั้งสติไว้อย่างมั่นคงแล้วเที่ยวจาริกแนะนำพร่ำสอนสาวกจำนวนมากไปทุกแว่นแขวนสาวกผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีจิตมุ่งมั่น ปฏิบัติตามคำสอนของเราเป็นผู้หมดความปรารถนาก็จะเข้าถึงสถานที่ซึ่งเรล่าชนผู้ไปแล้วไม่เศร้าโศกมานกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าได้สะกดรอยตามพระผู้มีพระภาคนานถึงเจ็ดปี<ม>ก็ยังหาโอกาสที่จะทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระสิริไม่ได้เลยกาตัวหนึ่งบินอยู่รอบรอบแท่นศิลาที่มีสีคล้ายมันคน้นด้วยคิดว่า เรากำลังจะได้ของอ่อนนุ่มในสิ่งนี้ความยินดีพอใจก็จะมีแก่เราแต่เมื่อไม่ได้ความพอใจรู้ว่านี้คือแท่นศิลาจึงหลีกไปข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันตั้งใจว่าจะมารบกวนก่อความราคาญพระไทยให้พระสมณะโคโดมเบื่อเสด็จลุกหนีไปแต่ข้าพเจ้ากลับไม่ได้รับความยินยอมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความท้อแท้จึงหลีกไปเมื่อมานั้นกำลังเศร้าโศกมากพินที่หนีบอยู่นั้นจึงตกลงจากรักแร้ลำดับนั้นมานั้นผู้เสียใจได้อันตรธานหายไปในที่นั้นเองประธานสูตรที่สองจบ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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียกรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายวาจาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนวาจาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง กล่าววาจาสุภาษิตอย่างเดียวไม่กล่าววาจาทุพภาษิตสองกล่าววาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม 3. กล่าววาจาเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาไม่เป็นที่รัก 4. กล่าววาจาสัจจริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาเหลาะแหละภิกษุทั้งหลายวาจาที่ประกอบด้วยองค์สีประการนี้แหลเป็นสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาสิทธิ์ไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคสศาสดาขันตรัสวยกรณภาสิทินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัต บ, บุรุษกล่าวว่าวาจาสุพาษิทธิเป็นวาจาสูงสุดนั้นเป็นองค์ที่หนึ่งบุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นองค์ที่สอง บุคคลพึงกล่าววาจาเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาไม่เป็นที่รักนั้นเป็นองค์ที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาสัตว์ไม่พึงกล่าววาจาเหลาะแหละนั้นเป็นองค์ที่สี่ลำดับนั้นท่านพระวังชีสะลุกจากอาสนะโ่มจีวอนเฉวียงบายืนประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับแล้วได้ยกกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์เข้าใจพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าวังคีสะเธอจงเข้าใจภาษิตของเราอย่างแจ่มแจ้งเถิดลำดับนั้นท่านพระวังคีสะได้กล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอย่างเหมาะสมเฉพาะพระพักว่า บุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุทาตนให้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นเป็นวาจาสุภาษิตแท้บุคคลพึงกล่าวเฉพาะวาจาเป็นที่รักเป็นที่ถูกใจผู้ฟังพึงเว้นคําลาโมกทั้งหลายเสียกล่าวแต่วาจาเป็นที่รักแก่คนอื่นวาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายนี้เป็นของเก่าสัตว์ปรุษ ล้วนดำรงมั่นอยู่ในสัจจะทั้งที่เป็นอัตและเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดแอนเป็นวาจากเกษมเพื่อการบรรลุนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกวาจานั้นแหลเป็นวาจายอดเยี่ยมกว่าวาจาทั้งหลายสุภาษิตะสูตรที่สามจบ สุนทริกะภารทวาชะสูตรว่าด้วยสุนทริกะภารัตวาชะพราหมณ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําสุนทริกาแขวนโกศลสมัยนั้นสุนทริกะภารัตวาชะพราหมณ์กําลังประกอบพิธีบูชาไฟบำเรอการบูชาไฟอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําสุนทริกา ครันเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ลุกจากที่นั่งเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบด้วยคิดว่าใครกันควรบริโภคเครื่องเส้นที่เหลือนี้พรนเหลือไปเห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งข่มคลุมพระวรกายจนถึงพระเสียรอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งจึงใช้มือซ้ายถือเครื่องเส้นที่เหลือมือขวาถือคนโเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทันใดนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปิดผ้าคลุมพระเศียรออกเพราะได้สดับเสียงฝีเท้าของสุนทริกระปารัตวาชะพรามขณะนั้นสุนทริกระปารัทวาชะพรามกล่าวขึ้นว่านี้คนหัวโลน้นนี้คนหัวโลน้นตั้งใจจะหันหลังกลับจากที่นั้นแต่แล้วได้ฉุก ค, คิดว่าอันที่จริงพรามบางพวกในโลกนี้ก็หัวโล้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรเข้าไปถามชาตรกูล ครั้นคิดเช่นนั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเดียกล่าวว่าท่านมีชาติกําเนิดอะไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบสุนทริกะพารถวัชพรามด้วยพระคาถาดังนี้ว่าเราไม่ใช่พราหมณ์ไม่ใช่ราชโอรสไม่ใช่แพทย์หรือคนวรนณใดวันณะหนึ่งเรากําหนดรู้ข้อของปุถุชนทั้งหลายแล้วไม่มีความกังวลประพฤติตนอยู่ในโลกด้วยปัญญา เรานุ่งห่มตรายจีวรไม่มีเรือนปลงผมแล้วควบคุมตนสงบระ ง, งับได้ไม่คลุกคลี ก, กับหมู่คนเที่ยวจเรึกไปในโลกการที่ท่านถามเราถึงโคดวงนั้นไม่สมควรเลยพราหมณ์ทูลถามดังนี้พราหมณ์พราหมณ์มทั้งหลายด้วยกันเท่านั้นที่จะถามว่าท่านเป็นพราหมณ์หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ถ้าท่านเรียกตัวเองว่าพราหมณ์ แต่มาสนทนากับเราผู้มิใช่พรามเพราะฉะนั้นเราจะถามท่านถึงเรื่องสาวิตรีชัน้นที่มีสามบาท24พยางพรามทูลถามดังนี้ฤาษีมนุษย์ชาัตรและพรามเป็นจำนวนมากในโลกนี้อาศัยอะไรจึงพากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายพระผู้มีประภาคตรตอบดังนี้เราขอชี้แจงว่า บุคคลผู้ถึงที่สุดแห่งทุกขจบเวทพึงได้รับเครื่องบูชาในการแห่งยันพิธีของผู้ใดการประกอบพิธีบูชายันของผู้นั้นจึงจะสําเร็จผลมากพรามกราบทูลดังนี้การบูชายันของข้าพเจ้านั้นชื่อว่าสําเร็จผลแน่แท้เพราะได้พบเห็นบุคคลผู้จบเวทเช่นพระองค์ก็เพราะยังไม่พบบุคคลผู้ทรงคุณเช่นกับพระองค์ คนอื่นๆจึงได้กินเครื่องเส้นพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้พรามเพราะฉะนั้นท่านผู้มีความต้องการด้วยประโยชน์นี้จงเข้ามาถามเถิดท่านก็จะได้พบบุคคลผู้สงบกำจัดความโกรธได้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังมีปัญญาดีในโลกนี้แน่นอนพรามทูลถามดังนี้เขาพระเจ้ายินดีในการบูชายัญ ปรารถนาที่จะบูชายัญแต่ข้าพเจ้ายังไม่รู้ขอพระองค์โปรดตรัสสอนข้าพเจ้าโปรดตรัสบอกสถานที่ที่การบูชายัญจะสําเร็จผลให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านอย่าถามถึงชาติตระกูลเลยจงถามเฉพาะธรรมที่ประพฤติธเถิด ไฟย่อมเกิดจากไม้แม้ผู้ที่เกิดในสกุลต่ำก็สามารถเป็นมุนีมีปัญญากีกันอกุศลวิตกได้ด้วยหิริเป็นบุรุษอาชาในได้พรามผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไตยธรรมให้เหมาะแก่การแก่พระทักนัยบุคคลผู้ฝึกตนจนบรรลุสัจจะสมบูรณ์ด้วยการฝึกอินทรีย์ผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว พรามผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดมั่นสำรวมตนเคร่งครัดเที่ยวไปอยู่เหมือนกระสวยที่ไปตรงพรามผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ประศจากราคะมีอินทรีย์มั่นคงดีแล้วหลุดพ้นจากกิเลส เหมือนดวงจันทร์พ้นจากราหูจับฉนั้นพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจถวา i เครื่องไตยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกิเลสมีสติอยู่ทุกเมื่อละนามรูปที่ยึดถือว่าเป็นของเราได้แล้วเที่ยวไปอยู่ในโลกตถาคตละกามทั้งหลายได้มีปกติครอบงามกามทั้งหลายเที่ยวไปรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะ ดับกิเลสเครื่องเร่าร้อนได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้เยือกเย็นเหมือนห้วงน้ำควรแก่เครื่องบูชาตถาคตผู้เสมอพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ห่างไกลาจากบุคคลผู้ไม่เสมอทั้งหลายมีปัญญาหาที่สุดมิได้เป็นผู้อันตันหาและทิฐิไม่แปดเปื้อนไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกไหนๆย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตไม่มีมายาไม่มีมานะ ปราศจากโลภะไม่ยึดถือสิ่งว่าเป็นของเราไม่มีความหวังกำจัดความโกรธดับกิเลสเครื่องเร่าร้อนได้เด็ดขาดเป็นพรามผู้ลอยบาปได้แท้จริงและมนถินคือความโศกได้แล้วย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตและตันหาและทิฏฐิอันเป็นกิเลสนอนเนื่องประจำใจได้แล้วไม่มีตันหาและทิฏฐิเครื่องยึดถือใดๆชื่อว่า หมดความยึดมั่นในโลกนี้หรือโลกอื่นย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตมีจิตเป็นสมาธิข้ามพ้นโอหคได้เด็ดขาดและรู้ธรรมได้ปัญญาอันยอดเยี่ยมหมดสิ้นอาสวะทรงไว้ซึ่งร่างกายเป็นร่างกายสุดท้ายย่อมควรแก่เครื่องบูชาพรวาวะสวะและวาจายาบภลายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวท หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องไม่มีธรรมเครื่องข้องเมื่อคนทั่วไปติดข้องเพราะมานะตถาคตขจัดมานะได้กำหนดรู้ทุกพร้อมทั้งเขตและที่ตั้งย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตไม่อิงอาศัยความหวังมีปกติเห็นความสงัดล่วงพ้นทิฏฐิที่ผู้อื่นรู้กัน ไม่มีกีเล่เครื่องยึดเหนี่ยวใดๆย่อมควรเก่เครื่องบูชาตถาคตรู้แจ้งธรรมทั้งที่ดีและเลวกําจัดให้สูญจิ้นได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้สงบน้อมจิตไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปาทานย่อมควรเก่เครื่องบูชาตถาคตมีปกติเห็นภาวะที่สิ้นสุดการเกิดขจัดสังโยชน์อันเป็นทางแห่งราคะได้หมดสิ้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษ ปราศจากมนทินหมดกิเลสเครื่องเศร้ามองย่อมควรแก่ดเครื่องบูชาตถาคตไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนมีจิตตั้งมั่นปฏิบัติตรงดำรงตนมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสดุดตะปูตรึงใจหมดความสงสัยย่อมควรแก่ดเครื่องบูชาตถาคตไม่มีเหตุเกิดโมหะใดๆมีปกติเห็นด้วยญาณในธรรมทั้งปวง ทรงไว้ซึ่งร่างกายเป็นร่างกายสุดท้ายและบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณที่ยอดเยี่ยมอันเกษมด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ตถาคตนับว่ามีความบริสุทธิ์ที่น่าบูชาจึงควรแก่เครื่องบูชาพรามกราบทูลดังนี้การบูชาของข้าพระองค์จะเป็นการบูชาที่ถูกต้องอย่างแน่แท้เพราะได้พบบุคคลผู้จบเวชเช่นพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพรหมโดยประจักษ์โปรดทรงรับทรงบริโภคเครื่องบูชาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พราหมณ์เราไม่บริโภคโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมของผู้พิจารณาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมเมื่อธรรมยังมีอยู่การเลี้ยงที่แบบนี้ก็ยังมีอยู่ อันหนึ่งท่านจงบำรุงพระขีณาสพผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีความขนองสงบแล้วด้วยข้าวและน้ำเพราะว่าการบำรุงนั้นเป็นนาบุญของผู้สแสวงบุญพระมามกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอประธานวโรกาสข้าพระองค์เข้าถึงคําสอนของพระองค์จนรู้ชัดตามที่พระองค์ตรัสบอกแล้ว ขอพระองค์โปรดตรัสแสดงบุคคลผู้ควรจะบริโภคทักษิณาทานของข้าพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพระองค์กําลังสแสวงหาในเวลาบูชายันแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้บุคคลใดปราศจากการแข่งแย่งชิงดีกันมีจิตไม่ขุนมัวหลุดพ้นแล้วจากการทั้งหลายกําจัดทีนมิทะได้แล้วกําจัดกิเลสส่วนสุดออกได้ รู้เท่าทันชาติและมรณะเป็นมุนีผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาถ้าบุคคลเช่นนั้นมาถึงสถานที่บูชายัญของท่านท่านอย่าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดจงประคองอัญชลีนอบน้อมบูชาด้วยข้าวและน้ำเถิดทักษิณาของท่านจึงจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างนี้พราหมณ์กราบทูลดังนี้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชาในโลกทั้งปวงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม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 ได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคและถึงจึงเป็นอันว่าท่านพระสุนทริกะภารัวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุนทริกะภารัวาชะสูตรที่สจบ